เดี๋ยวบรรยายต่อไปนะครับตอนนี้บรรยายสังะธรรมสูตรจากคำภีสังยุตติกายสลายตนวัตรพระไตรปิฎกเล่มที่ส8ปสังะธรรมสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องคนเป่าสังคนเป่าแตรคนเป่าแตรที่มีกําลังดีเป่าแตรก็ได้ยินไปทั่วทั้งสี่ทิศน่ ก็อุปมาเหมือนกับกรรมที่ทำด้วยเมตาก็ดีการุณาก็ดีมุทิตาก็ดีหรือว่าอุเบกขาก็ดีที่เป็นใจชนิดที่ไม่มีประมาณไม่มีความยึดติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็สามารถแผ่ไปได้ทั่วทุกทิศนะครับซึ่งเนื้อหาในพระสูตรนี้ก็ได้กล่าวถึงนายบ้านคนหนึ่งชื่อว่าอาสิพันธ ก, ก บ, บุตร ซึ่งเป็นสาวกของนิครนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่านิครณนานตบุตรนั้นสอนสาวกว่ายังไงเขาก็เลยบอกคำสอนเกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปที่นิครนสอนก็คือคนใดที่ฆ่าสัตว์คนนั้นก็จะไปอบายนรกคนใดที่ลักทรัพย์คนนั้นก็จะไปอบายนรกคนไหนที่ประพฤติผิดในกาม ก็จะไปอบายนรกคนไหนที่พูดโกหกคนนั้นก็จะไปอบายนรกกรรมอันไหนที่บุคคลกระทำเอาไวมากบุคคลนั้นก็จะไปตามกรรมอันนั้นที่ตัวเองทำเอาไว้มากนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้ทราบถึงคำสอนลักษณะเช่นนั้นมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วก็มีความขัดแย้งกันเองในคำสอนนั้นนั่นแหละนะครับโดยได้ถามความเห็นของนายคาม น, นีให้เขารับรองนะ แล้วก็ได้กล่าวถึงว่าถ้าบุคคลที่ยังกล่าวอย่างนั้นยังคิดอย่างนั้นอยู่ยังไม่ละคำพูดนั้นยังไม่ละความคิดนั้นยังไม่ละความเห็นอย่างนั้นบุคคล น, นั้นก็จะไปตกนรกเหมือนกับถูกคนเอาไปวางไว้นะอย่างงี้นะครับก็คื อ, อยังไม่ละความเห็นที่ว่าใครก็ตามที่ฆ่าสัตว์บุคคล น, นั้นก็จะไปอบายนรก อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งถึงใครก็ตามที่พูดโกหกบุคคลนั้นก็จะไปอบายนรกถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าโอ้เราก็เคยพูดคาไม่ดีมาเราก็มีโอกาสไปนรกกับเขาเหมือนกันแม้เราก็จะไปนรกถ้ายังไม่ละความเห็นอันนี้เขาก็จะไปตกนรกเหมือนกับถูกเอาไปวางไว้นะครับ เพราะว่าเป็นความเห็นที่มันผิดพลาดผิดยังไงล่ะก็ผิดตั้งแต่ว่ามีเขาไม่ดีไปแล้วแล้วเขาก็จะไปนรกแต่ที่จริงมันมีเขาไหมแต่ที่จริงมันไม่มีมันเป็นความเห็นผิดเท่านั้นเองนะครับทีนี้พระองค์ก็เลยกล่าวถึงความเห็นที่มันถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องที่พูดพูดกันนี่แหละเป็นฝ่ายของพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์ก็สอนให้สาวกทั้งหลายนั้นงดเว้นจากปาณาติบาตเหมือนกัน ตําหนิติเตียนปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิฉาจารมุสาวาทตําหนิติเตียนเหมือนกันให้งดเว้นเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันนะเพราะว่าพระองค์สอนในแง่มุมของให้รักษาศีลหรือว่าให้ฝึกฝนตนเองแบบนี้ให้เป็นไปเพื่อละกรรมนะเป็นกรรมชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ากรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันหนึ่ง แต่ว่าของพวกนิครนอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นพวกวนเวียนเกิดจากความเห็นที่มันผิดพลาดเกิดจากความไม่รู้มันก็จะวนเวียนไปไปตามวงจรของความทุกขวงจรของกองทุกขที่เกิดวนเวียนกันนั้นถ้าพูดย่อๆเขาเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากนะครับถ้าพูดให้กว้างๆหรือว่าเต็มรูปแบบก็ตั้งแต่อวิชชาปัจจญาสังขาราเป็นต้นไปเพราะความไม่รู้ กิเลสตัวหลักคือความไม่รู้ไม่รู้ความจริงไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าแท้ที่จริงไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยพอไม่รู้ก็เกิดความอยากเกิดความต้องการเกิดความคาดหวังเหมือนที่ได้พูดให้ฟังไปแล้วก็คือเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรต่างๆมาแล้วก็คิดถึงคิดถึงอดีตพอคิดถึงอดีตด้วยความไม่รู้นะ่ยด้วยความไม่รู้มันก็ยึดถือ นะครับเกิดตัณหาอุปาทานด้วยความยึดถือนั่นแหละด้วยกิเลสเก่าที่ตัวเองมีนะครับเมื่อเกิดตัณหาอุปาทานเกิดความยึดถือแล้วก็เกิดการทํากรรมกิเลสกรรมแล้วก็ได้รับผลวิบากกวนเวียนไปเรื่อยๆซึ่งที่จะได้รับผลโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผลที่ไม่ดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วความเห็นผิดจะนําพาไปให้ทําไม่ดีแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ได้รับประโยชน์ ไม่พ้นจากอบายทุกติวินิบาตนารกไปได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าบุคคลใดก็ตามที่ยังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทนะไม่เห็นธรรมะตามที่มันเป็นจริงบุคคลนั้นก็จะเป็นกระจุกเหมือนกระจุกได้เป็นปมดังปมได้ของพวกช่างโขกเขามันยุ่งเหยิงคนคนนั้นก็จะไม่พ้นจากอบายทุกติวินิบาตนารกไปได้นะฉะนั้น การที่จะพ้นจากอบายทุคติวินิบัตนรกไปได้นี้ต้องมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือฝึกฝนให้รู้ธรรมะตามที่เป็นจริงให้มีวิชาขึ้นถ้าโดยวิธีอื่นนั้นไม่มีทางได้ผลนะครับอันนั้นก็แบบโดยทั่วไปที่เขาสอนกันก็คือเป็นแบบกองทุกวนเวียนเป็นคำสอนของคนที่ยังไม่รู้ถ้าจะบอกว่ารู้บ้างก็ได้แต่ว่ารู้เล็กๆน้อยๆถูกบ้างก็ได้แต่ถูกน้อยเกินไป ไม่พอที่จะทําให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงถูกน้อยเกินอย่างเงี้นะอย่างจะบอกว่า เ, ออเราคิดถูกมีไหมก็ถูกบ้างก็มีเหมือนกันแต่มันน้อยไปมันไม่สามารถที่จะผลไปจากกองทุกข์ได้นะครับทําก็ถูกบ้างเหมือนกันพูดก็ถูกบ้างเหมือนกันแต่มันน้อยเกินไปมันไม่เด็ดขาดนะครับทีนี้ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้ฝึกฝนให้มีวิชาความรู้ทําลายอวิชาไป ที่ฝึกฝนให้มีศีลก็เพื่อให้เกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญานั่นแหละพอเกิดปัญญามันมีปัญญามีความรู้มีความรู้ก็ไม่เกิดการทํากรรมนะเหมือนที่ยกตัวอย่างเรื่องกรรมเมื่อกี้ก็เหมือนกันก็คือเวลาคิดถึงไปในเรื่องอดีตคิดถึงอดีตเราก็รู้ตามเป็นจริงว่าเออมันเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนอะไรก็ไม่ถูกสิ่งนั้นผูกไม่ถูกสิ่งนั้นผูกมันก็ไม่เกิดตัณหาอุปาทาน ไม่เกิดการทำกรรมก็ไม่มีผลวนเวียนเป็นวิบากอะไรอย่างนี้นี่ด้วยความรู้ด้วยความรู้มันก็จะทำลายกรรมเก่าๆจะละกรรมอันเก่าๆอันเก่าๆก็ไม่มีผลอันใหม่ๆก็งดเว้นสำรวมระวังฝึกฝนไปจนกระทั่งถอนเหตุที่จะทำให้ผิดใหม่ๆอันเก่าไม่มีผลอันใหม่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วก็ฝึกฝนให้มีปัญญาถอนเหตุที่จะทำให กิเลสเกิดขึ้นให้ความผิดเกิดขึ้นได้มันก็หมดกันไปเท่านั้นอย่างนี้นะครับวิธีการต่างๆมันก็แตกต่างกันไปนะแตกต่างกันไปตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราโดยทั่วไปก็จะมีความเห็นผิดคิดว่ามีตัวเราอยู่ก็มีกิเลสพอมีกิเลสก็เกิดการทำกรรมวนเวียนอย่างนี้ก็จะถูกเขาหลอกไปเรื่อยๆซึ่งพระพุทธเจ้าท่านติเตียนภิกษุทั้งหลายมากที่มาหลอกคนทั่วไปอย่างนี้ก็คือ แม้แต่หลอกให้ทำดีทำอะไรต่างๆวนเวียนกันไปเนี่ยอย่างนี้เป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาอาชีวะของพวกพระนะไม่ต้องพูดถึงที่แรงนะที่แรงๆก็ดูหมอทำนายทายทักดูเลิกงามยามดีดูเลิกดวงดาวเลิ ก, งลกสงครามเลิกโน่นเลิกนี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าเดรฉ า, านวิชาเนะียซึ่งเราคงมีเยอะนะ <c oughs> อันนี้เพราะว่ามัน พวกไม่รู้มันก็วนเวียนกันไปนะครับแต่ศีลของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สั่งสอนนั้นเป็นศีลแบบฉลาดเรียกว่าศีลกุศลกุศลและศีลศีลที่รักษาด้วยความฉลาดด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็ฝึกฝนไปเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเมื่อมีปัญญามีความรู้ก็ไม่เกิดกรรมไม่เกิดกรรมก็ไม่มีวิบากมาวนเวียนอย่างนี้ฉะนั้นคลยังพูดถึงเรื่อง โอยแต่เก่าเคยทำอย่างนี้อย่างนี้มาแล้วต่อไปต้องทำให้มันดีขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหรอกมันต่างกันมากนะคือโอ้ย oh, แต่ก่อนเราทำไม่ดีพยายามทำให้มันดีจะได้นู่นได้นี่ดูเหมือนดีฟังดูเหมือนดีมากแต่ว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์นี้มีความแตกต่างจากคนอื่นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องอริยมรตมีองค์ปนะ ในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่จะแตกต่างจากคําสอนอื่นตรงเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดถ้าใครตีประเด็นตรงนี้ไม่แตกก็จะไม่เข้าใจเลยแล้วก็จะสับสนปนเปนกันไปว่าพระพุทธเจ้าก็สอนคล้ายๆคนอื่นเหมือนเหือนคนอื่นจริงๆไม่เหมือนเลยคนละเรื่องกันนะอาจจะคําพูดนี่คล้ายๆกันบอกว่าให้ละปาณาติบาตเหมือนๆกันแต่ว่าโดยพื้นฐานของการละปาณาติบาตนั้นไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งละเพราะคิดว่าเขาไม่ดี เคยทำปาณาติบาตไม่ดีแล้วเขาพยายามละเพื่อทําดีเพิ่มขึ้นเพื่อละลายกรรมอะไรก็ว่าไปในความคิดของเขานะแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคนละแบบกันของพระองค์นั้นเป็นแบบอริยมรตมีองค์8ประการนะมันต่างกันนะครับเป็นข้อฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็คือไม่มีกิเลสนั่นเองนะเกิดปัญญาความรู้ไม่มีกิเลกก็ไม่เกิดกรรม ไม่มีการทำกรรมเพื่อตัวเองไม่มีการทำกรรมเพื่อตัวเองก็ไม่มีวิบากวนเวียนไม่เกิดการวนเวียนของใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีวิบากที่ยาวนานมานะเราทั้งหลายนั้นทำสิ่งต่างๆด้วยความยึดถือแล้วก็มีวิบากวนเวียนมานานมากนะเหมือนกับเราทำบาปทำไม่ดีมาก็นึกถึงมันแล้วมีอิทธิพลต่อใจเรามาจนถึงทุกวันนี้อันนี้เขาเรียกว่าวิบาก ของสิ่งที่ทํานั้นแต่ของพระพุทธเจ้านี้ต้องการละวิบากอันนี้ทั้งหมดให้มีชีวิตเหลืออยู่แค่ปัจจุบันเท่านั้นไม่ต้องเอาทัศนคติอุดมคติความผิดในอดีตมาควบคุมตัวเองอีกไม่ต้องไม่มันมามีอิทธิพลต่อใจเราอีกไม่ต้องเอาการกระทําที่มันผ่านมาแล้วมายึดถือว่าเออเราไม่ดีเพราะโน่นเพราะนี่ไม่จําเป็นต้องเอามาเพราะว่าอันนั้นมันเป็นส่วนเกินนะนี่พอเข้าใจไหม คนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงคือไม่มีทั้งอดีตและก็ไม่มีทั้งอนาคตอย่างนี้ไม่ต้องเอาความเห็นอดีตหรือว่าไม่ต้องเอาทัศนคติอดีตอุดมคติอดีตมาใช้ก็ได้ไม่ต้องเอามาคิดก็ได้ไม่ต้องเอามาไว้อะไรคอยโน่นคอยนี่อะไรก็ได้แค่ทำไปเท่านั้นเองนี่นะมันต่างกันแต่คนเราโดยส่วนใหญ่นั้นถูก ความยึดถือครอบงำพอถูกความยึดถือครอบงำอะไรที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตเรียนไว้ในอดีตความเห็นผิดที่เคยมีในอดีตมันก็ยังมามีมอิทธิพลอยู่อีกอันนี้เขาเรียกวิบากคำพูดของคนในอดีตก็มีอิทธิพลการกระทำในอดีตก็มีอิทธิพลหมดอันนี้เรียกว่าวิบากผลของมันแต่พระองค์นี้จะทาลายผลพวกนี้ไปท่านจึงว่ากรรมไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม กรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดททําไม่ขาวไม่จําเป็นต้องมีวิบากการกระทําแล้วก็แล้วไปกระทําแล้วก็แล้วไปไม่ต้องมามีอิทธิพลอะไรต่อกันอีกทําดีก็ดีไปแต่ดีนั้นไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกในตอนนี้อย่างนี้บางคนได้ทําดีเมื่อเช้าดีเมื่อเช้ายังมีวิบากมาถึงเราให้เราสบายใจให้เราอย่างนี้ไปอีกนี่เห็นไหมมันยังมีวิบากผลมาแต่จริงๆทําแล้วก็แล้วไปใช่ไหมไม่ได้มีอะไรตอนนี้ก็เป็นตอนนี้แหละอย่างนี้ พอเข้าใจไหมนะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็พูดมาถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยถูกต้องนะก็คือสาวกนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็สามารถละบาปกรรมอันนั้นได้ ก้าวล่วงบาปรกรรมอันนั้นได้นะตอนนี้ก็พูดมาถึงหน้าที่สนะครับพูดมาถึงหน้าที่สี่แล้วพูดถึงเรื่องพระาศาสดาพระผู้มีพระภาคนั้นตำหนิติเตียนปานาธิบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาตโดยอเนกปริยายแล้วพระองค์ก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงงดเว้นจากปานาิบาตจากอธินนาทาน จากการมีสุมิชฌาจารย์จากอุตสาวานั้นทีนี้สาวกนั้นมาพิจารณาว่าโอเราก็เคยทําผิดมาหลากหลายแล้วการกระทําเช่นนั้นมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องและเราก็จะเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจเพราะการกระทําไม่ดีนั้นเป็นปัจจัยนะความเดือดร้อนใจก็เกิดเพราะการกระทําไม่ดีเป็นปัจจัยไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะไม่มีตัวเราที่จะไปบังคับ ควบคุมอะไรได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เว้นจากปานาติบาตเป็นต้นได้แล้วก็งดมันไม่ทำมันในโอกาสต่อไปอย่างนี้เป็นการละและก็การก้าวล่วงบา ป, ปรกรรมนะครับถ้าเป็นไปโดยถูกต้องก็จะเป็นอย่างนี้เป็นศีลที่เป็นกุศลทำด้วยความฉลาดต่อไปก็จะเป็นผู้ที่ละปานาติบาตเป็นต้นจนกระทั่งถึงละ พวกทุจริตทั้ง10ประการได้กายะทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนโทุจริตก็จะละได้จิตใจก็จะเป็นจิตใจที่เปิดกว้างนะไม่คับแคบแล้วเพราะว่าไม่ถูกสิ่งต่างๆนั้นมาผูกมัดเอาไว้ไม่ใช่ถูกกรรมเก่าๆที่เคยทํามาผูกเอาไว้ไม่ใช่ถูกอนาคตที่คิดถึงผูกเอาไว้หรือว่าไม่ใช่ถูกการกระทําในปัจจุบันมาผูกเอาไว้ พอไม่ถูกผูกเอาไว้ละพวกนี้ออกไปใจมันก็กว้างพอใจกว้างแล้วการแผ่เมตตาเจริญเมตตาการุณาก็เป็นเรื่องง่ายทําได้โดยไม่ยากท่านจะพูดอย่างนี้ทาไมจึงบอกว่าทําได้โดยไม่ยากก็มันไม่ยากจริงๆรนะบางคนก็บอกโอ้เจริญเมตตาแผ่เมตตานี่มันยากยากสําหรับเขาแหละเพราะเขานั้นมีแต่ยึดนะมันยึดพวกยึดมากมันก็แผ่ยากแต่พวกที่เขาไม่ยึด ไม่ไปจับไม่ติดข้องอันนั้นอันนี้เขามีแต่รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปคิดถึงอดีตคิดแล้วก็ไม่ไปยึดมันไม่ถูกมันผูกเอาไว้คิดถึงแล้วก็แล้วไปคิดถึงอนาคตคิดถึงแล้วก็แล้วไปไม่ถูกมันผูกเอาไว้ใจเขาก็กว้างนะการแผ่เมตตาหรือว่าจิตใจที่มีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรก็ทำได้โดยง่ายนะครับต่อไปในหน้าที่สี่นะ หน้าที่สี่ยอหน้าที่สามก็จะเป็นการละทุจริตทั้งสิบนะครับอ่านพร้อมกันโสปานาติปาตังปาหายะปานาติปาตาปะติวิรโตโโหติอะดินนาดานังปาหายะอะดินนาดานาปะติวิรโตโโหติ กาเมสุมิจฉาจารังปหายะกาเมสุมิจฉาจาราปติวิราโตโหติมุสาวาดังปหายะมุสาวาดาปติวิราโตโหติปิสุนังวาจังปหายะปิสุนายวาจายะปติวิราโตโหติ พารุสังวาจังปหายะภรุสายาวาจายปะปติวิราโตโหติสัมผัพปลาปังปหายะสัมผัพปลา ป, าปะปติวิราโตโหติอภิชังปหายะอาณะิชาลุโหติพยาปะดาะปโตสังปหายะ อพยาป น, นะจิตโตโหติมิจฉาดิถิปหายะสัมมาดิถิโกโหตินะครับอันนี้ก็เป็นการละทุจริตทั้งสิบประการการละก็อย่างที่บอกไว้แล้วคือของเก่าก็ไม่ผูกไว้ของใหม่ก็งดเว้นไม่ทำนี่เรียกว่าละคนนั้นก็จะเป็นคนที่จิตบริสุทธิ์จิตเป็นปกติจริงๆนะครับ คนที่มีศีลจริงๆเป็นอย่างนั้นนะบางคนไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังคิดว่าเราไม่ดีชั่วเพราะฆ่าสัตว์อันนี้คนนี้ก็ยังไม่ได้ละอันนี้เพราะว่าถูกของเก่านั้นครอบงาอยู่ถูกของเก่านั้นผูกอยู่อย่างนี้ใจของเขาก็ไม่บริสุทธิ์สบายไหมคนนี้ไม่สบายถึงจะไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่สบายเพราะคิดว่าตัวเองเลวอยู่นะนี่ถึงตัวเองจะไม่ทำเลวแต่ ก็ยังไม่สบายเพราะยังคิดว่ามีเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรมากมาอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าละหรือว่าการมีศีลละทุจริตให้ดีๆนะไม่ใช่แค่ไม่ทำเท่านั้นหมายถึงการละของอดีตด้วยไม่ให้มันมามีอิทธิพลหรือว่ามันมาผูกเอาไว้ได้นะละทั้งอันนั้นด้วยและอันใหม่ก็ไม่ทาด้วยนี่มันจึงเป็นอีกแบบหนึ่ง โสปานาติปาตังปหายะสาวกนั้นละปานาติบาตปานาติปาตาปฏิวิรโตโหติและเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตนี่ละปานาติบาตได้นะแล้วก็งดเว้นจากปานาติบาตการละเป็นยังไงตัวอย่างก็มีแล้วที่พูดไว้ในข้างบนนะครับอดินนาดานังปหายะอดินนาดานาปฏิวิรโตโหติ ละอธทินนาทานเป็นผู้งดเว้นจากอธทินนาทานกาเมสุมิชฉาจารังปะหายะกาเมสุมิชฉาจาราปฏิวิรตโหติละกาเมสุมิชฉาจารเป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิชฉาจารมุสาวาดังปะหายะมุสาวาดาปฏิวิรตโโหติ ละมุสาวาตเป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาทปิสุนังวาจังปหายะปิสุนายวาจายะปฏิวิรโตโหติละปิสุนาวาจาเป็นผู้งดเว้นจากปิสุนาวาจาภรุสังวาจังปหายะภรุสายวาจายะปฏิวิรโตโหติละพรุสวาจาเป็นผู้งดเว้นจากภรุสวาจา สัมผับปลาปังปหายะสัมผับปลาปาปฏิวิรโตโหติละสัมผับปลาปะเป็นผู้งดเว้นจากสัมผับปลาปะอภิชังปหายะอนะพิชาลุโหติละอภิชาคือความอยากได้เพ่งเล็งอยากมีเหมือนคนอื่นอยากได้ไม่รู้จักพอสักทีหนึ่งไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนี่เรียกว่าอภิชาคือการเพ่งเล็ง เพ่งเลงไปที่ภายนอกอยากมีนั่นเพิ่มอยากนี่นี่เพิ่มไปเรื่อยๆพอมีนี่แล้วก็เลิกเพ่งเลงอันนี้ก็ไปเพ่งเลงอันอื่นไปเรื่อยๆส่วนใหญ่มองดูคนอื่นคนอื่นมีอะไรเราก็พยายามจะมีอันนั้นเขาว่าอะไรดีเราก็ว่าอันนั้นไปด้วยอันนี้เรียกว่าเพ่งเล็งลักษณะคนนี้ก็จะเป็นผู้ที่อยากได้ไม่รู้จักพอทีนี้เขาละการเพ่งเล็งแบบนั้นไปแล้ว และการเพ่งเลงก็จะเป็นอณพิชาลุเป็นผู้ที่ไม่เพ่งเลงอยากได้เป็นผู้รู้จักพอแล้วพยาปาดาบโดสังปหายะอัพยาปณะจิตโตโหติเป็นผู้ละความพยาบาทที่มันประทุสร้ายจิตละความรู้สึกชนิดที่ทําร้ายจิตใจตนเองความพยาบาทการผูกเวรนการคิดเบียดเบียนคิดเอาชนะคนอื่นอันนี้เป็น ความรู้สึกที่ทำร้ายตนเองก็ละละพวกความรู้สึกพยาบาทที่ทำร้ายจิตตรง น, นี้ต่อมาก็มีจิตเป็นอัพพยาปัญจิตโตคือมีจิตไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนมิชาดิติถิงปหายะสัมมาทิฏโกโหติละมิชาทิฐิกลายเป็นผู้เป็นสัมมาทิฏฐินะครับอันนี้ก็คือละทุจริตทั้ง10บประการ นี้เป็นคนมีศีลดีนะจิตใจดีอย่างนี้นะครับนะละมิจฉาทิฏฐิอันนี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิประเภทโลกิยะ ท, ทั่วไปนะมิจฉาทิฏฐิชนิดโลกิยานี้มีสิบอย่างคงเคยเรียนมาบ้างนะทานที่ให้แล้วมีผลอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแบบโลกิยะใครมีความเห็นผิดจากอันนี้เห็นว่าโอ้ยการให้ทานนั้นมันไม่มีผลหรอกการให้ทานนี้ มันไม่สมควรจะให้หรอกให้ไปแล้วก็เสียเงินเปล่าๆไม่สมควรจะให้อันนี้เป็นความเห็นผิดเพราะว่าถ้าเห็นอย่างถูกต้องก็คือมันต้องสอดคล้องกับความจริงว่าสิ่งต่างๆนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราแค่มามาใช้แล้วก็ไปฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าได้มาแล้วมันก็ต้องออกไปจากเราอย่างนี้ฉะนั้นได้มาแล้วให้มีอะไรแล้วให้มันจึงเป็นสิ่งถูกต้องนะ ความเห็นที่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิไปก็เป็นสัมมาทิฏฐิการบูชานั้นเป็นของสมควรมีผลบูชาบวงสวงนะการรู้จักบุญคุณคนนี้มันถูกต้องเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนใหญ่โตมาแต่กําเนิดไม่ได้ช่วยตัวเองได้มาแต่กําเนิดนะเกิดมาแล้วก็ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูบาอาจารย์อาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้อาศัยประเทศอาศัยในหลวง อาศัยใครต่อใครมากมายฉะนั้นการบูชาการสํานึกบุญคุณคนนี้จึงเป็นเรื่องถูกนะถ้าบอกว่าโอ้ยอย่าไปสํานึกเขามีหน้าที่ทำเขาก็ทําเรามีหน้าที่ของเราก็ทําต่างคนต่างหน้าที่เขาว่าอย่างนี้นะไม่สํานึกกันอย่างนี้มันก็ยังเป็นความเห็นที่ผิดพลาดอยู่แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของความถูกต้องของธรรมะก็คือว่าเรานั้นไม่ได้เป็นคนใหญ่โต เมื่อไม่ได้เป็นคนใหญ่โตก็อาศัยคนอื่นในเมื่ออาศัยคนอื่นเราก็คิดถึงคุณของคนอื่นนี้จึงเป็นเรื่องถูกนะฉะนั้นเราจะไหว้ต้นไม้บ้างก็ได้เพราะว่าคิดถึงคุณต้นไม้อุตสาห์ให้ออกซิเจนมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะจะไหว้จะบูชาอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าให้มีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองนะการทําสาธารณประโยชน์ต่างๆหรือว่า การที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่างๆนั้นในสังคมทั่วไปนั้นเป็นของถูกต้องเป็นของมีผลอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคนมีน้อยก็ให้น้อยคนมีมากก็ให้มากอย่างนี้จึงเป็นสัมมาทิฏฐินะครับถ้าคนมีมากกับคนมีน้อยแล้วให้เท่ากันอันนี้มิจฉาทิฏฐิไม่ถูกเพราะว่าถ้าคนมีมากก็ต้องให้มากคนมีน้อยก็ต้องให้น้อยคนมีอํานาจมาก ก็ต้องระวังให้มากคนมีอำนาจน้อยไม่ต้องระวังมากก็ได้มันจึงถูกตามหลักการทั่วไปธรรมดานี่แหละไม่ได้มีอะไรความเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นถูกถ้าเห็นไม่ถูกก็โอ้ทุกคนทั้งดีทั้งเลวนี่เท่าเท่ากันมันนี่มันบ้าแลยคนดีกับคนเลวบ้าอะไรมันจะเท่ากันประชาธิปไตยบ้าอะไรมันไม่มีไม่มีอย่างนั้นนะคนดีก็ต้องมีอำนาจกว่าคนเลวก็ต้องไม่มีอำนาจมันจึงถูกนะ คนรวยก็ต้องให้เยอะกว่าคนจนก็ต้องให้น้อยกว่ามันก็ต้องถูกอย่างนี้นะคนดีก็ต้องให้โอกาสเขามากกว่าคนเร็วๆก็อย่าให้โอกาสมันจึงถูกจึงเป็นความเห็นถูกถ้าเห็นนอกจากนี้ก็มิจฉาทิฏฐินะอย่างนี้นะครับหรือว่าความเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเข้าใจโดยถูกต้องว่าแต่ละคนนี้ล้วนเป็นไปตามกรรมนะเราวัดกันที่ความเป็นกรรมนะสัตว์บุคคลเนี่ย ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่แบบหมาแบบแมวหมาแมวนี่มันรับผลของกรรมอย่างเดียวแต่มนุษย์นี่เป็นไปตามกรรมในตัวมนุษย์นี่แหละนะถ้าชาวนาที่เรียกว่าว่าชาวนาก็เขาไม่ได้เป็นชาวนามาแต่เกิดไม่เหมือนหมานะหมานี่ถ้าหลังอานก็หลังอานมาแต่เกิดเลยนะถ้าเป็นคนนี่มันเป็นตามกรรมที่เขาทํานะเขาทํานาก็เรียกว่าชาวนา มาสอนหนังสือก็เรียกอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมไปรักษาคนไข้ก็เรียกแพทย์เป็นไปตามกรรมเนี่ยกรรมของคนฉลาดเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่โอ๊ยเกิดมาตามกรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นแบบนั้นมันกรรมคนโง่กรรมมาหมาแมวแมวแบบนั้นนะเกิดมาเป็นต้นไม้ต้นนั้นก็จะเป็นแบบต้นไม้ต้นนั้นไปเรื่อยอันนั้นมันกรรมหมาแมวแล้วนะจะเกิดมาหลังอานก็หลังอ่านอยู่ตลอดอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกกรรมแบบนั้นนะ โดยส่วนใหญ่เราชอบเชื่อกรมแบบนั้นแต่กรรมแบบมนุษย์นี่มันกำอีกแบบหนึง่งนะกรรมแบบมนุษย์หมายถึงการฝึกฝ น, พ, นพัฒนาตนฝึกฝนพัฒนาตนเองได้เพราะว่าเราไม่ต้องมารับผลของมันอย่างเดียวถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเขามารับผลของมันอย่างเดียวก็เรื่องของเขาไปแหละอย่างนั้นนะเกิดมาหลังอ่านก็ต้องหลังอ่านไปเรื่อยแต่เราเกิดมายากจนเราก็สามารถรวยได้เราเกิดมาแล้วไม่ได้เป็นทหารมาแต่กําเนิดเราก็ไปเป็นทหารได้นี่อย่างนี้ มันเปลี่ยนแปลงได้หมดอันนี้กรรมของบัณฑิตนะส่วนใหญ่เราจะเป็นกรรมแบบโง่โง่งไปนะก็คิดแบบมารับผลของกรรมเขาว่าอย่างนี้นะเนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นหมานะ่ยเป็นควายอย่างเนี้ยไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นไปได้หรอกนะนี่เขาคิดอย่างนี้มนุษย์เนี่ยยังอุตสาห์คิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะี ตัวเองเกิดมานี่เพื่อทํากรรมใหม่ฝึกฝนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้หมดนะไม่ได้เป็นอะไรมาแต่อ้อนแต่ออกที่ไหนนะมาฝึกฝนเราได้จะเป็นครูก็ฝึกได้จะเป็นหมอก็ฝึกได้เป็นวิศวกรอะไรต่างๆก็เป็นไปตามกรรมของตนนี่เขาึงเรียกว่าเป็นไปตามกรรมแบบมนุษย์แต่ถ้าเป็นไปตามกรรมแบบสัตว์เดรัจฉานก็คือมารับผลของกรรมฉะนั้นคําว่าเป็นไปตามกรรมนี่ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าโอ้ยสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไปตามกรรมมนุษย์ก็เป็นไปตามกรรม ไม่ใช่อย่างนั้นคนระแบบกันพอเข้าใจไหมอย่างเนี้ยนะบางคนก็พูดพูดก็พอใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจนะคำว่าเป็นไปตามกรรมแบบหมาแมวกับเป็นไปตามกรรมอย่างมนุษย์นี่มันไม่เหมือนกันพอเข้าใจไหมออต้องกรรมแบบบัณฑิตนะเอาถึงไหนแล้วทาไมไปเรื่องหมาแมวไปแล้วนอกเรื่องอยู่เลยอ๋อเรื่องสามมาทิฏฐินะสมาทิฏฐิแบบโลกิยะนี่มันมีอยู่สิบอย่าง ไปศึกษาเอาก็แล้วกันตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วพูดเ ร, เรื่องกรรมนะก็ต้องกรรมแบบสัมมาทิฏฐินะกรรมแบบสัมมาทิฏฐิไม่ใช่กรรมแบบวนเวียนมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยแบบหมาแบบแมวไปเรื่อยอย่างนั้นก็ไม่เอาต้องละอันนั้นไปอันนั้นมันมิจฉาทิฏฐินะครับแล้วก็พ่อมีแม่มีโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์เป็นโอปปปาติกะมีจนกระทั่งถึงสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้าย ในโลกนี้เนี่ยนะขอให้เราได้สัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็คือมีความเห็นว่าสมณะและพราหมณ์ผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเห็นความจริงทั้งโลกนี้โลกหน้าตรัสรู้เรียบร้อยแล้วก็บอกสอนให้คนอื่นรู้ตามมีจริงอันนี้ก็คือตถาคตโพธิสัต t านั่นเองนะครับสัมมาทิฐิขั้นโลกิยะนี้มาจบตรงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ต่อมาก็จะเป็นจุดพ่วงไปสู่สัมมาทิฏฐิชนิดโลกุตละคือเห็นอริยสัจนะครับฉะนั้นเวลามาได้รับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมามีศรัท ธ, ธาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสัมมาทิฏฐิขั้นต้นๆอันอืนอ่นๆไม่จําเป็นนะมาทํากรรมวนเวียนไม่จําเป็นมาโน่นมานี่อะไรต่างๆไม่จําเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เขาทํามาทั้งหมดก็เพื่อมามีศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าพอมีศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปต้องฝึกสัมมาทิฏฐิอีกชุดหนึ่ง ก็คือสัมมาทิฏฐิโลกุตระคือเห็นอริยสัจนะเหมือนคําสอนของพระพุทธเจ้าคนไม่เคยฟังทำมายังยึดติดในโลกพระองค์ก็สอนอนุปุปภิกถาอะไรสัก่อนอย่างนี้ยังไม่เคยฟังมาพอได้ศรัทธาได้เข้าใจความจริงอะไรบ้างเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็กลับข้างสอนอริยสัจอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ใช่สอนเรื่องทานให้ไปทําทานนะเข้าใจไหมไม่ใช่สอนเรื่องสวรรค์ให้อยากได้สวรรค์ แต่สอนเพื่อปรับจิตให้มีสมาธินี่ต้องเข้าใจดีๆนะเพราะว่าท่านสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิขั้นโลกิยะนี้เพื่อให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิขั้นโลกิยานี้มันจะทำให้เกิดผลวิบากที่ดีๆทานก็ให้ผลดีๆใช่ไหมความเห็นที่มันถูกต้องถ้าอยู่ในโลกถ้าอยู่ด้วยกันโดยถูกต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง ขนาดดียังไม่เที่ยงฉะนั้นจิตมันจะไม่มีที่ไปพอไม่มีที่ไปแล้วจิตมันจะเกิดสมาธิขึ้นพอเข้าใจไหมแต่เดิมเราหลงอยู่เรื่องโน้นเรื่องนี้พระองค์ก็ปรับมาให้มีสัมมาทิฏฐิพอมามีสัมมาทิฏฐิแล้วให้ได้รับของดีรู้ว่าของดีมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้พูดกระทั่งว่าแม้แต่ของดียังไม่เที่ยงเลยท่านจะไปไหนมันไม่มีที่ไปพอใจไม่มีที่ไปมันก็จะตั้งมั่นพอตั้งมั่นก็ ประกาศอริยสัจคือความจริงอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ถ้าเราดังหลงอยู่หลงเรื่องโน้นเรื่องนี้คนยังหลงอยู่มากก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่มากความมิจฉาทิฏฐิอยู่มากหลงเรื่องนั้นอยู่มากก็ปรับให้มามีสัมมาทิฏฐิขั้นโลกิจะให้มันหลงทางนี้พอหลงทางนี้แล้วมันดีโอ้ดีมากแต่ดีก็ไม่เที่ยงนี้มันไม่มีที่ไปแล้วพอไม่มีที่ไปแล้วมันก็ต้องรู้ความจริงแล้วความหมายคืออย่างนี้นะครับ ฉะนั้นท่านสอนอนุปุธิกถานี่ไม่ได้สอนให้เอาไปทําแต่สอนให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแต่เรานี่มาสอนอนุปุพิกถาให้ไปทําสอนเรื่องทานทานากถานเน้นกันใหญ่ให้ไปทําสอนเรื่องศีลให้ไปรักษาศีลเขาาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลองไปอ่านดูสิในพระไตรปิฎกะนะเวลาที่ท่านานาถาบินญจเกษฐีมานั่งฟังธรรมพระเจ้าพิมพิสารมานั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ เทศอนุปุพิกถาก่อนพอเทศอนุปุพิกถาเสร็จพอรู้ว่าโอ้ใจเขาอ่อนเบาควรแก่การงานปราศจากนิวรเรียบร้อยแล้วก็ประกาศอริยสัจไม่ได้สอนให้ไปทำสอนให้จิตมีสมาธิเฉยๆพอเข้าใจไหมอ่าก็เหมือนเรามีสัมมาทิฏฐินี่ฝึกฝนเข้าใจความจริงก็เพื่อเห็นคล้อยตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอก แล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพอมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จบแล้วก็ทําตามพระพุทธเจ้าลูกเดียวจบแล้วเท่านี้เองง่ายนิดเดียวแต่ยากมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาสอนอนุบุพิกถาโอ้นี้พระพุทธเจ้าสอนอนุบุพิถิกถาคือทานก่อนนะพอทานก่อนเธอจงไปทําฐานตายบอดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนี่ต่อมาก็ศีลละกถานะก็ให้ไปรักษาศีล ต่อไปก็สักคถาสวรรค์เธอไปสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่เดิมนั้นเราเข้าใจผิดอยู่หลงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะก็ปรับมาให้มันถูกมาถูกแล้วจะได้ของดีแต่ดีมันไม่เที่ยงเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วดียังไม่น่าเอาเลยไม่ต้องพูดถึงไม่ดีแล้วมันไม่มีที่ไปพอไม่มีที่ไปก็ต้องรู้ความจริงอย่างเดียวเท่านั้นอย่าง น, นี้เขาจึงว่าสอนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเฉยๆพอเข้าใจไหมจากที่ พูดมากๆสอนมากๆนี้ไม่ได้สอนให้ไปทําอะไรหรอกให้จิตมีสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงยึดของเก่าให้มันละความเข้าใจผิดๆออกไปละการยึดถือออกไปพอยึดถือละการยึดถือออกไปแล้วก็มีแต่ความจริงเท่านั้นแหละที่ควรจะรู้ก็มีอยู่เท่าเนี้ยง่ายไหมง่ายลองไปอ่านในพระไตรปิฎกดูสิเขาก็มีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าเทศไปเทศอนุภูมิพิคถาไปพอทราบว่าอ้าว จิตคนนี้เบาอ่อนกวนแก่การงานแล้วปราศจากนิวรแล้วก็ประกาศอริยสัจนี่เข้าใจไหะลองไปอ่านดูที่ไหนก็ได้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้สอนให้ไปทํำหรอกนแต่เรานี่คงจะถูกหลอกไปเรื่อยๆนะไม่เป็น้วถูกหลอกมานานแล้วนี่ต้องละมิจฉาทิฏฐิไงละมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็จะมาจบลงตอน มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นข้อสุดท้ายและนะฉะนั้นที่เราทําความดีมาทั้งหมดนะมีสัมมาทิฏฐิทำโน่นทํานี่อะไรมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออันสุดท้ายก็คือได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็จบแล้วพอได้ฟังคําสอนแล้วได้มีศรัทธาแล้วความดีอื่นๆไม่ต้องไปขวนขวายแล้วให้ขวนขวายแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็พอเพราะว่าที่เราทํามาทั้งหมดนั้นแสดงว่ามันพอแล้วจึงมามีศรัทธา อย่างนี้พอเข้าใจไหมเออนะเราทํามาในโลกจนมามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่ามันพร้อมจะเหนือโลกแล้วถ้ามันยังไม่พร้อมจะเหนือโลกมันยังไม่มีศรัทธาหรอกมันก็จะไปตามโลกไปเรื่อยๆถูกๆผิดๆไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆถูกมากขึ้นไปจนกระทั่งอ้าวมีศรัทธาในคําสอนนะครับอันนี้แหละเขาจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐนะิจุดเชื่อมต่อของสัมมาทิฏฐิสองอันนี้ สัมมาทิฏฐิมีสองชุดชุดที่1เรียกว่าขั้นโลกิยะเป็นไปในโลกทําให้ได้รับผลเป็นอุปธิได้ผลเป็นบุญได้รับความสุขได้รับความสงบตามสมควรทางโลกไปนะครับแล้วชุดที่สองก็คือสัมมาทิฏฐิโล ก, กุตระณอันนั้นเป็นการเห็นอริยสัจเห็นเข้าใจความจริงจุดเชื่อมต่อของสัมมาทิฏฐิสองชุดนี้คือ สัาคตะโพธิสัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าฉะนั้นตัวสัทธาตัวสัทธานั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิชนิดหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เมื่อจิตมีศีลอย่างนี้นะครับละทุจริตอย่างนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วต่อมาท่านก็จะพูดถึงลักษณะของจิตที่มีสมาธิธแล้วต่อมานะก็สามารถ เป็นจิตใจที่เปิดกว้างเบาสบายสามารถจเจริญเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาหรือว่ากรรมฐานอะไอื่นๆแล้วแต่จะพูดถึงได้สบายมากแล้วแต่นะครับท่านก็จะบอกมีคําว่าโดยไม่ยากมาด้วยท่านอ่านในหนังสือก็จะพบบ่อยบใช่ไหมเวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกบุคคลมีจิตประกอบด้วยเมตตามีสมาธิได้โดยไม่ยากบางท่านได้โดยไม่ยากไงว่าเราทํายาก มันทำไม่ถูกมันก็ยากไปหมด่แต่ท่านว่าได้โดยไม่ยากหมายถึงว่าถ้าทําโดยถูกต้องมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจิตมันละทุจริตไปแล้วหรือว่าละพวกไม่ดีละความยึดถือละความติดข้องไปแล้วละความแคบๆอะไรไปแล้วมันก็สูงขึ้นไปของมันเองมันก็กว้างออกมาของมันเองฉะนั้นความกว้างมันจึงได้โดยไม่ยากเพราะละของแคบไปแล้วอย่างนี้นะความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเจริญเมตตาได้โดยไม่ยากเพราะอะไรเพราะมันละพยาบาทไปแล้ว มันจะเจริญยากอะไรล่ะก็มันละพยาบาทแล้วอะไอเรานี่ะเจริญเมตตายากั้ยสเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขอให้ทุกคนจงมีความสุขยกเว้นไอข้างบ้านนั้นมันก็เป็นซะอย่างนี้ยน่มันได้ยากเพราะว่ามันทำผิดนะครับเอ่านะเล่าให้ฟังเฉยๆนี่นะ ต่อไปก็หน้าที่สี่นะยอนหน้าสุดท้ายนะครับอ่านพร้อมกันนะสะขโขโศขามณิอริยสาวโกเอวังวิขตาพิชโชวิขตาพยาปาโดอสัมมูลโหสัมปชาโนปโติสโตเมตตาสหคเตนะเจตสา เอกังทิสังภริตวาวิหรารติตถาทุ ต, ติยังตถาตติยังตถาจตุถังอิติอุทธมะโทติริยังสัพพิสัพพั ต, ตตายะส บ, บาวันตังโลกังเมตตาสหคเตนะเจตสาวิปุเลนะ มหากเตนะอปะมาเนนะอเวเรนะอพยาปเชนะภริตวาวิหรารติเสยถาปิคามนิภละวาสังขธโมอัปะกะสิเรเนวะจะตุดิสาวิญญาเปยะเอวเมวโขคามณิ เอวังพาวิตายะเมตตายะเจโตวิมุตติยาเอวังบหุลีกตายะยังปรมมาณกตังกรรมังณตังตตราวสิสติณตังตตราวติถติน่ะอันนี้ก็พูดถึงฝ่ายสมาธิแล้วต่อมาโดยท่านยกเรื่อง เมตตากรุณามุติตาอุเบกขามาพูดเป็นตัวแทนของฝ่ายสมาธินะครับนะในย่อหน้าที่สามก็พูดในแง่ของการละทุจริตเป็นศีล น, นะสะโขโสคามณิอริยะสาวกโกเอวังวิคัตตาพิชโชดูก่อนนายคามณิอริยะสาวกนั้นเป็นผู้ที่ มีอภิชาปราดไปแล้วอย่างนี้เอวังวิคตาพิชโชเอวังอย่างนี้วิคตะแปลว่าหมดไปแล้วปราศจากไปแล้วอภิโชคืออภิชามีความอยากได้ความต้องการหมดไปแล้วดูว่าจะง่ายไหมคนเขามีความอยากความต้องการหมดไปแล้วความอยากได้ความต้องการมันหมดไปแล้วเลิกคาดหวังเลิอกอะไรแล้ว ใจเขาเป็นไงเปิดกว้างสบายมาก ใ, ใจมันเป็นแบบนี้วิคตาพยาปาโดวิคตพยาปาโดมีจิตที่พยาบาทหมดไปแล้วจิตใจที่พยาบาทที่ผูกเวรจะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้หมดไปแล้วอสัมมูละโหเป็นผู้ที่ไม่หลงไม่หลงไม่งมงายไม่มัวเมา ไม่เชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้ทำอะไรอย่างรุ่มหลงไปเป็นผู้ไม่หลงสัมปชานโนสัมปชานโนเป็นผู้มีความรู้ตัวปฏิสโตมีสติตั้งมั่นเมตตาสหคเตนะเจตสาเอกังที่สังปริตวาวิหารติก็เป็นผู้มีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ ใจกว้างไหมคนนี้ใจกว้างเมตตาก็แผ่ง่ายสบายมากนะครับนี่ลักษณะของท่านก็คือเป็นผู้ที่มีความอยากความต้องการเพ่งเล็งอยากได้หมดไปแล้วมีความพยาบาทหมดไปแล้วไม่หลงมีความรู้ตัวมีสติตั้งมั่นมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่แต่ฐาทุติยังทิศที่สองก็เหมือนกัน ตาถาตติยังทิศ ท, ที่สามก็เหมือนกันตาถาจะตุดถังทิศ ท, ที่สี่ก็เหมือนกันอิติอุดทรมโทติระยังทิศเบื้องบนและเบื้องล่างและเบื้องขวางก็เหมือนกั น, นก็แผ่ไปได้ทุกทิศเพราะว่ามีจิตใจที่กว้างไม่ไปผูกไว้ที่ใดที่หนึ่งสับวัิสับพัตตายะสับวาวันตังโลกัง เมตตาสาคเตณเจตสาวิปุเลณมหาคเตณอัปมาเนณอเวเรณอัพยาปัจเจณผริตตวาวิหรติเป็นผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูณเมตตาสหคเตณเจตสามีใจประกอบด้วยเมตตาวิปุเลณอันไพบูณมหาคเตณอันเป็นมหาคตะได้ชาน บางคนก็จะบอกว่าได้ฌานนี่มันยากมากค่ะว่าอย่างนี้นะยากสำหรับคนทำผิดนะไม่ยากสำหรับคนทำถูกนะครับนะอันเป็นมหากาตะอับประมาณในะไม่มีประมาณมีสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเป็นอารมณ์ให้ได้ทุกๆคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้ทุกๆคนอันนี้ก็ยากสำหรับคนทำไม่เป็นนะยึดโนนยึดหนี่มันก็ยาก เห็นผิดนั่นเห็นผิดนี่ก็ยากแต่คนที่ไม่ยึดถือหรือว่าไม่เห็นผิดแล้วก็ง่ายอเวเรณนะไม่มีเวรอัพยาปเชนะไม่มีความเบียดเบียนภริตะวาแผ่ไปแล้วสัปปาวันตังโลกังตลอดโลกทั้งสิน้นสัพพิในที่ทั้งปวงสัพพตตายะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงวิหรติแล้วก็อยู่ นี่ก็เป็นลักษณะจิตของพระอริยสาวกที่เต็มไปด้วยสมาธิโดยเฉพาะท่านในที่เป็นพระอนาคามีนี่นะมีปัญญาถึงระดับนั้นแล้วจิตเป็นสมาธินี่ท่านทําอะไรก็สบายมากอยากจะมีโลกิยะอภิญญาอะไรก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากแค่น้อมจิตไปเท่านั้นเองจิตมีสมาธิแล้วน้อมไปเพื่อนั่นน้อมไปเพื่อนี่ก็ได้เคยอ่านไหมในพระไตรปิฎกเวลาจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้ว น้อมไปเพื่อรู้จิตคนอื่นก็รู้ได้น้อมไปเพื่อเห็นโน่นเห็นนี่ระลึกชาติก็เห็นได้อย่างนี้ถ้าฝึกถูกต้องก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้ามีปัญญาเป็นพระโสดาบันก็ศีลสมบูรณ์นะเนี่ยได้ชุดตน้ตนๆ ต, ต่อมาก็สมาธินะครับนะเราก็สามารถฝึกฝนได้แต่ยังไม่สมบูรณ์นะคนที่จะสมบูรณ์ด้วยสมาธิก็เป็นพระอนาคามีนะครับน่ะ เราก็ฝึกไปตามลําดับนะครับอันนี้เป็นลักษณะจิตของท่านที่มีสมาธิมีใจประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่3ทิศที่4ก็เหมือนกันทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางก็เหมือนกันต่อไปเป็นอุปมาเสยถาปิขามณิบาลวาเสยถาปิขามณิพระลวาสังขะทะโมดูก่อนานายคามณิ อุปมาดุจว่าคนเป่าสังที่มีกำลังเนี่ยชื่อสูตรมาอยู่ตรงนี้เองนะชื่อสูตรมาคนเป่าสังเป็นอุปมาอุปมาคนเป่าสังที่มีกำลังอ ป, ปะกะสิเรเนวจาตุทิสาวิญญาเปยะก็พึงสามารถให้คนได้ยินได้ตลอดทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากทีเดียวนะคนเป่าสังที่ เขามีกําลังนะคือกําลังลมก็ลมเยอะว่างอนกันแต่นะ่คนเป่าสังคนนี้ลมเยอะเป่าแรงแรงไปเป็นไงทั้งสี่ทิศได้ยินไหมได้ยินโดยไม่ยากแต่ถ้าคนไม่มีแรงเป็นไงหอบแหกแหกกลนไม่ค่อยได้ยินตอนนี้ท่านพูดถึงคนเป่าสังที่มีกําลังนะครับเป่าไปแล้วก็ทําให้คนได้ยินเสียงสังในรอบทั้งสี่ทิศได้โดยไม่ยากอันนี้ก็เหมือนกันแหละเอวเมวโขขามั น, นิ ดูก่อนนายคามณีอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเอวังพาวิตายะเมตายะเจโตวิมุตติยาเอวังพระหุลีกตายะยังประมาณนกตังกํรมังนะัตังตัตราวสิสตินะตังตัตราวิติทติดูก่อนนายคามณีก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละสำหรับบุคคลที่เจริญ เมตตาเจโตวิมุตตอย่างนี้เอวังพาวิตายะเอวังพาวิตายะก็คือเจริญแล้วอย่างนี้เมตตาเจโตวิมุตติยาอันนี้เมตตาเจโตวิมุตต์เอวังบะโหรีกตายะกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ยังประมาณนกตังกรรมมังกรรมอันใดที่กระทาไว้พอประมาณประมาณนกตังกรรมมังกรรมที่ทำพอประมาณ อันนี้ก็คือกรรมเล็กๆ น, น้อยๆที่อยู่ในกามภูมิเราทั้งหลายเนี่ยกรรมเล็กๆ น, น้อยๆข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือว่ากุศลอะไรเล็กๆ น, น้อยๆแบบกามภูมิทั่วไป ท, ท, นะที่เราทำทำอยู่นีที่เราทําทั่วไปทีนี้ถ้าจิตถึงขั้นนั้นแล้วกรรมประมาณเล็กน้อยนี้ณตังตตราวสิสติกรรมประมาณเล็กน้อยอันนี้ที่มีประมาณนับได้อันนี้ก็จะไม่ตั้งอยู่ในที่นั้น กรรมพวกนี้ก็จะหมดไปที่เคยเคยทําทําอยู่นี่นะที่เคยทำเอาไว้ฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิญ น, นการถ้าจิตถึงขั้นนั้นแล้วกรรมพวกนี้ก็หมดไปแล้วสลายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใจมันกว้างขึ้นที่ทําการฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิญญกามได้ก็เพราะว่าเห็นแก่ตัวยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้พอใจไม่ยึดถือแล้วกรรมนี้มันก็สลายไปไม่ตั้งอยู่นะฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ไปอบายเพราะอะไร เพราะว่าแต่ก่อนเคยทําด้วยจิตที่ยึดถือเข้าใจผิดพอเลิกเข้าใจผิดกรรมมันมีที่อยู่ไหมไม่มีมันไม่ตั้งอยู่ไม่เหลืออยู่ณ ต, ตังตะตราวะติดถติกรรมมีประมาณนั้นก็จะไม่ตั้งอยู่ในที่นั้นเห็นไหมพอจิตเป็นขั้นสูงเป็นสมาธิแล้วกันขั้นต้นๆที่ทําเพราะความขาดศีลอะไรต่างๆเป็นต้นก็ไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ กรรมนั้นก็จะถึงความสิ้นไปหมดไปตามลําดับอย่างนี้นะครับในที่นี้พระองค์ตรัสถึงในเรื่องศีลกับเรื่องสมาธิพอเรื่องปัญญาขั้นสูงก็ละแม้กระทั่งพวกนี้ไปได้ทั้งหมดก็หมดไปเลยสิ้นเชิงการหมดกรรมก็มีด้วยประการอย่างนี้คือของเก่าก็ไม่ยึดถือไม่ผูกมันเอาไว้ของใหม่ก็ไม่ทำแล้วก็ทาจิตให้มัน กว้างออกไปเรื่อยๆเพราะว่าที่ทํากรรมชั่วกรรมไม่ดีได้เพราะจิตมันแคบเห็นแก่ตัวเพราะจิตมันกว้างขึ้นอันนี้เหลือไหมอันที่ทำเพราะจิตแคบๆก็ไม่เหลือถึงจะเคยทําไปแล้วมันก็ให้ผลไม่ได้มันก็ห ม, หมดไปหมดไปหมดไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นการหมดไปโดยแท้จริงไม่ใช่ไปแก้ของเก่าพวกแก้ของเก่านี้พวกไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองพวกเข้าใจผิดนะเป็นวิชาหมหาที่พูดไปแล้ว <c oughs> นะวิชาแก้กรรมเก่า พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายไม่ให้ทําอันนั้นแล้วก็บอกโทษไว้เป็นนั้นมากทีเดียวนะเป็นมิจฉาอาชีวะสำหรับภิกษุเรียกว่าเดรฉ า, านวิชามีเยอะมากนะมีหลายอย่างมากนะครับนะนี่นะใครอยากให้กรรมมีประมาณเล็กน้อยหรือว่ากรรมที่ทําแบบจิตยังคับแคบอยู่ให้มันหมดไปนี่ก็แค่ฝึกฝนตนเองให้ไม่ยึดถือแล้วก็ ให้จิตมันกว้างพอจิตมันกว้างกรรมที่เคยทำด้วยจิตแคบๆนี้ก็ไม่มีไม่มีแล้วไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งอยู่แล้วมันไปไหนมันไม่มีที่ตั้งแล้วมันจะอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่มีตัวตนที่มันมีอยู่ได้เพราะมันมีที่ตั้งพอมันไม่มีที่ตั้งแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุดทิ้งนามทิ้งรูปไปนามรูปไม่มีที่ตั้งมันก็หมดไปทานจึงว่านามรูปนี้ ตั้งไม่ได้ในนิพพานมันก็หมดกันเท่านั้นแหละอย่างนี้ใช่ไหมกรรมมีประมาณในกรรมภูมิเมื่อจิตกว้างขึ้นเป็นสมาธิขึ้นกรรมพวกนี้มันไปตั้งที่ไหนมันไม่มีที่ไม่มีที่มันก็หมดไปเพราะมันเกิดดับไม่มีตัวตนนะครับนี้พอเข้าใจไหมนะแต่ในที่นี้ท่านพูดถึงในแง่ศีลสมาธิยังไม่พูดถึงขั้นสูงไล่ไปเรื่อยๆพูดถึงแต่เจโตวิมุติ พอถึงปัญญามิมุติแล้วก็หมดกันจบทุกอย่างนะแต่ว่าสูตรนี้เอาละเท่านี้แสดงแก่คลหัดนะเอาเท่านี้ก็พออย่างนี้ทํานองนี้น ะ, นะเราขอให้เข้าใจเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วจะได้รู้จักวิธีแก้กรรมที่มันถูกต้องหรือว่าสลายกรรมที่มันถูกต้องแค่ว่าแต่เดิมเราทําผิดเพราะยึดถือเพราะเข้าใจผิดอะไรต่างๆก็ไปเอาความเข้าใจผิดเอาความยึดถือที่มันคับแคบนั้นออก พอใจที่มันคับแคบนั้นมันโดนเอาออกไปใจกว้างขึ้นปราศจากความอยาความเพ่งเลงปราศจากความพยาบาทเป็นผู้ไม่มีโมหะมีสัมปชัญญะมีสติตั้งมั่นกรรมพวกนั้นมีที่อยู่ไหมไม่มีแล้วมันก็ให้ผลไม่ได้ก็เท่านั้นเองอย่างนี้นะครับ นี่ความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะไม่เกี่ยวกับว่าเราทําอะไรมาเยอะหรือมาน้อยเท่าไหร่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับว่าทําบุญมาเยอะหรือทํำบาปมาเยอะไม่เกี่ยวเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าในแบบอริยมรรคนี้ไม่เกี่ยวกับว่าในโลกเราทําอะไรมาเยอะหรือมาน้อยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันนะครับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการมีปัญญาเห็นความจริงนะรู้ความจริงต่อไป พระองค์ก็กล่าวถึงจิตชนิดอื่นๆที่เป็นการุณามุทิตาอุเบกขาไปตามลำดับนะครับในหน้าที่หนะอ่านพร้อมกันสโคโสคามณิอริยสาวโกเอวังวิคตาพิชโชวิคตะพยาปาโด อะสัมมูลโหสัมปะชาโนปติสโตกัรุณาสหคเตนะเจตสามุดิตาสหคเตนะเจตสาอุเปขาสหคเตนะเจตสาเอกังดิสังภริตวาวิหรติตถาทุติยังตถาตติยังตถาจตุถัง อิติอุทธะมะโทติริยังสัพพิสัพพตะตายะสัพวาวันตังโลกังอุเปขาสหคเตนะเจตสาวิปุเล น, มาานะมหคเตนะอปปาเนนะอาเวเรนะอพยาปัเจนะภริตวาวิหรารติเสยถาปิ ขามณิวะละวาสังฆ ะ, ะโมอัปะกสิเรเนวะจะตุติสาบิญญาเปยะเอวะเมวะโขขามณิเอวังพาวิตายะอุเปขายะเจโตวิมุตติยาเอวังบะุลีกตายะยังปะมานะกตังกัมมัง ณตังตัตราวสิตสติณตังตัตราวติถตีติเอวังวุเตอาสิพันธกปุตโตคามณินิคันทสาวโกพักวันตเอตอโอตโวจะอภิกันตังพันเตอภิกันตังพันเตอุปาสการรม มังภะควาทาเรตุอจชะตกเกปานุเปตังสารนังคตันติอัตธมังนะครับต่อไปพระองค์ก็กล่าวถึงลักษณะจิตอื่นๆที่ประกอบด้วยสมาธินะสโคโสขามณิอริยาสาวกโกเอวังวิคตาพิโชดูก่อนนายขามณิอริยาสาวกนั้นผู้ที่ มีความเพ่งเล็งหมดไปแล้วอย่างนี้มีความอยากหมดไปแล้วมีความต้องการความคาดหวังหมดไปแล้วอย่างนี้วิคัตตพยาปาโดมีความพยาบาทคิดเบียดเบียนผูกเวรจองเวรหมดไปแล้วอย่างนี้อสัมมูลหเป็นผู้ไม่หลงสัมปชานมีความรู้ตัวปฏิสโตมีสติตั้งมั่นกรุณาสหาคเตณมีจิตประกอบด้วยกรุณาอยากช่วยเหลือให้คนอื่น พ้นจากความทุกข์อะไรต่างๆนะมีจิตกรุณาประกอบไปด้วยกรุณาแผ่ไปที่ 1, ที่หนึ่งที่ที่สองอะไรก็เหมือนกันธรรมดาธรรมดานะลักษณะของผู้ที่ท่านปราศจากความอยากความต้องการมีความตั้งมั่นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วท่านมีจิตเมตตากรุณาเนี่ยท่านไม่ใช่พยายามจะเมตตานะอันเนี้ยไม่ใช่พยายามจะ ก, กรุณาแต่ว่า เป็นความเมตตาที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่สามารถจะไม่เมตตาได้นี่ต้องเข้าใจดีๆเราทั้งหลายพยายามจะเมตตาใช่ไหมแต่ของท่านนี่ไม่ใช่พยายามจะเมตตาแต่ว่ามันไม่เมตตาไม่ได้ความหมายคืออย่างนั้นเข้าใจไมมันไม่กรุณาไม่ได้ไม่สามารถที่จะไม่กรุณาเออฟังแปลกดีมั้นนะงงดี ไม่สามารถที่จะไม่สงสารเนี่ยความหมายอย่างนี้นะไม่สามารถที่จะไม่เป็นเพื่อนความหมายคืออย่างนี้นะก็คล้ายๆกับลูกของเราเนี่ยนะลูกของเรายังไงมันก็เป็นลูกใช่ไหมไม่สามารถที่จะไม่เป็นลูกอันนี้เขาเรียกเมตตารู้จักไหมถ้าเป็นคนอื่นนี่เราทําไม่ได้อย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตที่เปิดกว้างแล้วไม่เฉพาะลูกตัวเองแล้วสัตว์โลกทั้ง ทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่สามารถที่จะไม่เป็นเพื่อนอย่างลูกเราจะเลวแค่ไหนมันเป็นลูกไหมเป็นลูกเวลาเขาอุปมาเรื่องเมตตาเขาจึงอุปมาเหมือนกับแม่รักลูกเข้าใจหัหยคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะไม่เป็นลูกได้ไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้คือมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำนองนี้เขาเรียกนะอันนี้แหละเขาเรียกเมตตานะครับถ้าใครยังนึกไม่ออกก็นึกถึงแม่กับลูกก็ได้ไม่สามารถที่จะ ไม่เป็นลูกได้ก็ยังเห็นเป็นลูกอยู่งั้นแหละมันจะดีจะเลวจะชั่วอะไรยังไงก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นก็เห็นว่ามันเป็นลูกอะทำนองนี้นะคนทั่วไปก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละถ้าคนใจเปิดกว้างก็ไม่ได้ไม่ใช่ได้เฉพาะลูกแล้วก็ุยมันก็กว้างออกไปพอกว้างมันออกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นเป็นศัตรูได้แล้วก็เห็นแต่เป็นเพื่อนเห็นแต่เป็นมิตรกันควรจะช่วยเหลือกันเท่านั้น อันนี้เรียกว่ามีใจประกอบด้วยเมตตามีใจประกอบด้วยกรุณาต่อมามุติตาสหกเตนะเจตาสามีใจประกอบด้วยมุติตาอุเบกขาสหกเตนะเจตาสามีใจประกอบด้วยอุเบกขาเอกังดิสังปริตวาวิหรารติแผ่ไปตลอดที่หนึ่งอยู่ตถาทุติยังที่ที่สองก็เหมือนกันตถาตติยังที่ที่สามก็เหมือนกัน ตถาจะตุถังทิฏ ท, ที่สี่ก็เหมือนกันอิติอุดทัมโทติริยังทิศเบื้องบนและเบื้องล่างและเบื้องขวางก็เหมือนกันสัพพติสัพสพตตายะสภาวันตังโลกังอุเบกขาสากเตนะเจตสามีใจประกอบด้วยอุเบกขาวิปุเลนะอันภัยบูณมหคเตนะอันเป็นมหกตะอปะมาเนนะอันมีอารมณ์ไม่มีประมาณ อเวเรนะอันไม่มีเวรอภพยาปัเชนะไม่มีความเบียดเบียนผลิตตวาแผ่ไปแล้วสัพพาวันตังโล ก, กังตลอดโลกทั้งสิน้นสัพพติในที่ทั้งปวงสัภัตตายะเพื่อประโยชน์แก่หมูสัตว์ทั้งปวงวิหรติก็ย่อมอยู่นี่ก็แผ่ไปหรือว่าเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับที่เท่าเทียมกันหมดเพราะว่าไม่สามารถจะไม่เท่าเทียมกันได้ เพราะใจนั้นปราศจากความเพ่งเลง็งปราศจากความพยาบาทปราศจากการยึดนั่นยึดนี่ที่เป็นกรรมเล็กๆน้นอยๆแบบพวกเนี่ยพวกกรรมอภูมิทั่วไปนี่มันจะจับนั่นจับนี่เขาเลยเรียกว่ากรรมปริตตะกรรมเล็กๆน้นอยๆไปจับยึดแล้วค่อยทาแต่อันนี้เป็นกรรมประมาณะเป็นกรรมอัปประมาณแล้วนะครับมันต่างกันนะพอถึงอัปประมาณะแล้ว พวกประมาณะพวกกรรมเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่แล้วพอจิตเป็นสมาธิแล้วมีความตั้งมั่นแล้วจะให้ท่านมาเกิดในภพภูมิมนุษย์ภพอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้ายังต้องเกิดอยู่อีกก็มีที่เดียวพลมันโลกแล้วก็ไปแล้วไม่อยู่ทํานองนี้นะครับแต่ถ้าแจ้งพระนิพพานจบสมบูรณ์แล้วมีที่ไปไมท่านเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วอย่างนี้นะ แต่ตอนนี้พระองค์แสดงแก่คารวาสชื่อว่านายคารมณิที่เป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าอิสิพันธก บ, บุตรเนี่ยพระองค์ก็เปรียบเทียบให้ดูระหว่างกรรมแบบชาวโลกทั่วไปกับที่มันเหนือขึ้นไปกว่านี้ก็มีพอเหนือขึ้นไปกว่านี้ปับ๊บอันที่เป็นลกโลกที่ว่าทํำนู่นทํานี่กันอยู่นี้มันก็สลายตัวไปไม่มีที่ตั้งนะีคือถ้าพูดแบบภาษาเราทุกวันนี้เรียกว่าแก้ได้หมดแต่มันไม่ใช่แก้มันหมายถึงว่ามันไม่มีที่อยู่แล้ว เพราะว่ากรรมมันไม่มีตัวตนมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันผูกได้พอมันผูกไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นกรรมเก่าที่มันมีผลกับเราได้เพราะเราดันไปผูกมันนะมันผูกเราได้ถ้าเราคิดถึงขันอดีตไปแล้วไม่รู้สึกว่าเรามีตัวตนในอดีตคิดถึงชาติที่แล้วเราเป็นอย่างนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรากรรมในอดีตจะทําอะไรเราได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่มีการวนเวียนแล้ว นี่พอเข้าใจไหมแต่ว่าพวกปุถุชนทั้งหลายเขายังมีความเห็นผิดอยู่เขาคิดถึงอดีตไปแล้วลึกชาติได้บ้างอะไรบ้างก็คิดว่าเป็นเขามันก็เลยทำอันตรายได้อันนี้เขาเรียกว่าปุพพันตานุทิฏฐิทิฏฐิความยึดถือเห็นผิดที่ไปหลงยึดขันในอดีตที่เคยผ่านมาก่อนว่าเป็นตัวเขาปุพพันตานุทิฏฐิเคยได้ยินหมไม่ต้องเคยมากหรอกเพราะว่ า, วาเดี๋ยวจะงงหนักขึ้นไปเรื่อย พอคิดถึงอนาคตก็คิดถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนั่นแหละมายึดถือเขาเรียกอปรันตานุทิฏฐิตามเห็นขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นตัวเราเราจะไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างเนี้นะครับน่ะเป็นพวกไม่รู้นะครับไม่รู้อริยสัจไม่รู้ขันอดีตไม่รู้ขันอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทอันนี้พวกอวิชชาแต่ที่จริงขันอดีตมันก็ดับไปตั้งนานแล้วไม่มีตัวตนอะไร อนาคตมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวตนอะไรนะอันนี้พูดถึงจิตมีสมาธินะครับโดยยกเรื่องจิตประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขามากล่าวเป็นจิตที่เปิดกว้างแผ่ไปตลอดทุทกทิศอุปมาเหมือนกับคนที่ เป่าสังที่มีกําลังเสยถาปิคามณิบาลวะสังขธะะโมอั ป, ปะกสิเรเนวะจตุดิสาวิญญาปยะดูก่อนนายคามณิอุปมาดุดว่าคนเป่าสังที่มีกําลังพึงเป่าแล้วยังคนให้ได้ยินเสียงตลอดทั้งสี่ทิศได้โดยไม่ยากเอวะเมวะโขคามณิเอวังภาวิตายาอุเปกขายะเจโตวิมุตติยา เอวังพหูลีกตายะยังประมาณกตะตังกัมมังดูก่อนนายคามันี้ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่ออุเบขาเจโตวิมุตตอันบุคคลที่เป็นอริยาสาวกเจริญแล้วอย่างนี้กระทาให้มากแล้วอย่างนี้กรรมอันใดที่มีพอประมาณที่ได้กระทำแล้วคือกรรมอันเป็นพวกกรรมภูมิทั่วไปที่เราทานี่นะที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือว่า กรรมทั่วไปที่ทำเนี่ยณนะตังตัตราวสิสติกรรมอันนั้นก็ไม่เหลืออยู่ในที่นั้นไม่มีอยู่ในที่นั้นไม่เหลือแล้วณนะตังตัตราวติถติกรรมนั้นก็ไม่ตั้งอยู่ในที่นั้นนีอันนี้เป็นลักษณะของการที่ พูดถึงเรื่องกรรมที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเห็นไหมถ้าทํากรรมอย่างถูกต้องมันจะเป็นไปเพื่อความสิ้นสิ้นกรรมเองเหมือนว่าแต่เดิมนี่เราเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมต่อมาเราฝึกฝนโดยถูกต้องใช่ไหมพอฝึกฝนโดยถูกต้องอันนี้มันต้องหมดไปใช่ไหมจึงจะถูกเขาจึงเรียกว่ากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมที่ถูกต้องนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม แต่ถ้าไม่ถูกต้องเป็นไปเพื่อวิบากกรรมดาวิบากดํากรรมขาววิบากขาวอันนั้นกรรมไม่ถูกกรรมโง่โง่ า, ง า, ง า, าเรียกนะฉลาดแบบโง่โง่ก็ทำบุญเหมือนกันแต่บุญแบบโง่โง่งนะบุญแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวบุญแบบอวิชชาอันนั้นมันวนเวียนไปมากแต่พระพุทธเจ้าท่านไปสแสวงหานี่ท่านสแสวงหากุศลคือสิ่งที่มันฉลาด ฉลาดกว่าคนทั่วไปเขาทําอย่างนี้นะครับจากนั้นเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะจะทําทานก็ได้นะจะรักษาศีลอะไรก็ตามสบายเถอะแต่ต้องแบบฉลาดฉลาดหน่อยนะกุศล น, น, นะนะกุศลและศีลศีลฉลาดนะรักษาศีลทากรรมเพื่อให้กรรมมันหมดไปไม่ใช่ทํากรรมเพื่อเอาวิบากพอเข้าใจไหมทํากรรมเพื่อให้กรรมมันหมด ทำกรรมเหมือนกันมาเรียนหนังสือนี่ทำอะไรก็ว่าไปนะไม่ใช่เพื่อเอาบุญเอาวิบากอะไรหรอกเพื่อให้มันสิ้นกรรมไปอย่างนี้ก็หมายถึงว่าใจมันก็เปิดกว้างขึ้นเมื่อใจเปิดกว้างขึ้นอะไรที่เคยยึดถือเคยติดข้องแล้วทําอันนั้นก็ไม่มีที่ตั้งอยู่มันก็หมดไปตามลําดับจนกระทั่งหมดที่ตั้งจริงๆก็คือที่พระนิพพานได้รู้แจ้งพระนิพพานจนจบแล้วมันก็นามรูปก็หมดที่ตั้งไปจบเท่านั้น นะครับก็สิ้นกรรมไปแล้วที่นั้นเอวังวุตเตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอะสิพันธกะปุตโตคามาณินิคันทะสาวโกภะควันตังเอตะดะเวจะนายคามาณิชื่อว่าอะสิพันธกะปุตรผู้เป็นสาวกของนิครนก็ได้กล่าวคํานี้กับพระผู้มีพระภาคว่าอภิกันตังพันเตอภิกันตังพันเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแจ่มแจ้งยิ่งนักพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแจ่มแจ้งยิ่งนักพระเจ้าข้าแจมแจ้งไหมเราฟังแล้วเป็นไงบ้างะจมไม่แจมก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะอันนี้ท่านอิสิพันทะกะนท่านก็อาสิพันทะกะท่านบอกว่าแจมแจ้งเพราะแจมแจ้งแล้วว่าคําบูปมาอุบมยจบเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อมานะ มาเป็นขอเป็นอุบาศกอุปาสกังมังภควาทาเรตุขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาศกอัจชาะตะักเคปานุเปตังสรนังคตังพูดถึงพระรัตนะตรายเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดดังนี้อัตมังก็จบสังฆะธรมสูตรที่8นะครับนะ สังขธรรมะว่าโดยสรุปแล้วก็ชื่อสูตรนี่อุปมาด้วยเรื่องคนเป่าสังคนเป่าแตรที่มีกําลังเป่าแตรที่มีกําลังแล้วก็เสียงก็ครอบคลุมไปทั่วทุกทิศอะไรอะไรก็ครอบคลุมไปหมดอันอื่นเสียงอื่นก็สลายไปหมดเหมือนกับกรรมเก่าๆกรรมเล็กๆ น, น้อยๆกรรมปริฏตะที่เราเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ทําชุจริตอะไรต่างๆเมื่อจิตใจ ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งเหล่านั้นแล้วปราศจากความเพ่งเล็งปราศจากความบัาบาติไม่หลงมีสัมปชัญญะมีสติตั้งมั่นแล้วอันนั้นตั้งอยู่ได้ไหมตั้งอยู่ไม่ได้ก็จบกันเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นไงยากไหมเออนะก็ว่ากันไปอยากบังไงบงังลแต่คนนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน